การฝึกอบรมเจริญสมาธินั้นแม้ว่าโดยหลักการจะพูดได้สั้นนิดเดียวแต่ในด้านวิธีการมีเนื้อหารายละเอียดมากมายยิ่งถ้าพูดต่อออกไปจนถึงการใช้สมาธิคือใช้จิตที่เป็นสมาธินั้นเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาในการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มากมีขอบเขตกว้างขวางรวมเรียกว่าสมถะ และวิปัสสนาซึ่งควรจะเขียนแยกไว้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งต่างหากแต่เฉพาะในที่นี้ยังไม่ใช่ฐานะที่จะทำเช่นนั้นจึงจะกล่าวไว้แต่หลักสำคัญกว้างๆพอเป็นเขาให้เห็นแนวทางวิธีเจริญสมาธิอย่างที่หนึ่งการเจริญสมาธิแบบธรรมดาพาไปเองการเจริญสมาธิในข้อนี้ก็คือ การปฏิบัติตามหลักการเกิดขึ้นของสมาธิในกระบวนธรรมที่เป็นไปเองตามธรรมดาของธรรมชาติหรือธรรมดาพาไปโดยไม่ต้องคิดตั้งใจซึ่งมีพุทธพจน์แสดงไว่มากมายหลายแห่งสาระสำคัญของกระบวนธรรมนี้คือกระทำสิ่งที่ดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดปราโมทย์ขึ้นจากนั้นก็จะเกิดมีปีติซึ่งตามมาด้วยปัสจัิทความสุขและสมาธิในที่สุด พูดเป็นคําไทยว่าเกิดความชื่นบานบันเทิงใจจากนั้นก็จะเกิดความเอิบอิ่มใจร่างกายผ่อนคลายสงบจิตใจสบายมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นได้เขียนให้ดูง่ายดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่16ทับหนึ่งประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้กระทำสิ่งที่ดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดปรามโอษ คือความชื่นบานบันเทิงใจขึ้นจากนั้นก็จะเกิดมีปีติความเอิบอิ่มใจตามมาด้วยปสัสสติความผ่อนคลายต่อด้วยความสุขและสมาธิในที่สุดหลักทั่วไปมีอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่กระบวนการเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นตามปกติจะต้องมีศีลเป็นฐานรองรับอยู่ก่อนสำหรับคนทั่วไปศีลนี้ก็หมายเอาเพียงแค่ การที่มิได้เบียดเบียนล่วงละเมิดใครมาที่จะเป็นเหตุให้ใจคอวุ่นวายคอยระแวงหวาดหวั่นกลัวโทษหรือเดือดร้อนใจในความผิดความชั่วร้ายของตนเองมีความประพฤติสุจริตเป็นที่สบายใจของตนทำให้เกิดความเป็นปกติมั่นใจตัวเองได้ส่วนการกระทำที่จะให้เกิดปราโมทก็มีได้หลายอย่างเช่นอาจนึกถึงความประพฤติดีงามสุจริตของตนเอง และเกิดความปราบปลื้มบันเทิงใจขึ้นก็ได้อาจาระลึกถึงการทำงานการบาเพ็ญประโยชน์ของตนอาจาระลึกถึงพระรัตนตรยัยและสิ่งดีงามอื่นๆอาจหยิบยกเอาหลักธรรมบางอย่างขึ้นมาพิจารณาแล้วเกิดความเข้าใจได้หลักได้ความหมายเป็นต้นแล้วเกิดความปราบปลื้มบันเทิงใจขึ้นมาก็ได้ทั้งสิน้นองค์ธรรมสาคัญที่จะเป็นบรรทัด ฐ, ฐานหรือเป็นปัใจจัยใกล้ชิดที่สุดให้สมาธิเกิดขึ้นได้ ก็คือความสุขดังพุทธพจน์ที่ตรัสเป็นแบบไว้เสมอๆว่าสุขิโนโจิตตังสมาธิยติแปลว่าผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิขอยกตัวอย่างความเต็มมาดูสักแห่งหนึ่งในวิมุตติสูตรอังคุตรนิกายปัญจการนิบาตมีพุทธพจน์ว่าเมื่อเธอรู้แจ้งอัฏฐะรู้แจ้งธรรมะปราโมทย่อมเกิด เมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อมีใจปีติกายย่อมผ่อนคลายสงบผู้มีกายผ่อนคลายสงบย่อมได้เสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นอย่างไรก็ตามว่าที่จริงการเจริญสมาธิในข้อนี้ก็คือหลักทั่วไปของการฝึกสมาธิซึ่งเป็นแกนกลางของวิธีฝึกทั่วไปถึงขั้นก่อนจะได้ฌานนั่นเอง ในที่นี้ยังจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดใดๆจึงยุติเพียงนี้ก่อน